อนี่คนทั้งหลายอยากได้ความสุขความสบายไปหาอันนั้นหาอันนี้ทามันสุขสบายไม่ใช่มันไม่ได้สุขสบายพอเขาของกันทองยัวทามรนดาศักตืึกล้านอังคารพอรับเกาะนอนพออยู่เพระกินเออมันไม่สบายพอหายน อะไรสบายแล้วทั้งในบริณีิสันติปรางสุขขังสุขอะไรเสมอจิตสงบไม่มีอหมจิตสงบจะมีความสุขนี่ความสุขอยู่ตรงนี้ทุกบางคนว่าทุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอยู่ที่อยู่ที่อาศัยอ่าวดยากทุกยากนั่นไม่ใช่ ไม่มียถาบรรดาศักดิ์ทุกนันไม่ใช่ทุกเคอน์ไดที่ทาโขปนนามาิติคเวทุกครั้งเลยจะจำติคเวดูกรท่านทั้งหลายสักจำของจริงทุกอะไรเล่าทุกพอความเกิดชาติทุกขรั้งความเกิดเป็นทุกชะลาความแก่เป็นทุก อาญาที่ความเจ็บไข้ใจอัาขระอาญาจะเป็นทุ ก, ทกข์มันนําไปตุคขังความตายเป็นทุกข์อันนี้กองทุกข์สี่นี้เราจะทําอย่างไงจะหนีคลอนล่อจะมานั่งคืออธิบายทำมาแล้วในเบนนื้องต้นนี่เพื่อจะแก้ทุกข์กันนี้พวกพอความเกิดนี่พอจิตก็สงบแล้ว คิดเราไม่มันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ทุกข์มันแน่มันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่แก่มันไม่แก่มันก็ไม่เจ็บไม่มันไม่เจ็บก็ไม่ตายมันไม่ตายก็ไม่ทุกข์เอามาตั้งเราแล้วเกิดเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บ สิ่งเหลือก็ตายตายแล้วก็ทุกเวียนว่ายตายเกิดเกิดและตายตายแล้วเกิดเกิดล้ตายตายแล้วเกิดเกิดล้ตายตายแลเกิดเกิดตล้วใช่จีนอีกับกีกครับเรนำตระชาบมแล้วนี่นะลืมหมดนอยู่ที่อย่าไปลืมที่ต่อไปรู้ไว้ดินะที่พบที่ชาบมาแล้วนี่นเอะ นี่คนบางคนเราเกิดมาไม่เห็นใครมาบอกเจ้าคนมาจะฉชาตใดชาันใดจะบอกอะไรแต่ในพบนี้เราอัตภาพนี้น่งมาได้สามพบแล้วเราก็ยังบอกไม่ได้จาไม่ได้ใครจาได้ล่ะพบหนึ่งอยู่โล ก, กันตรลโลกยังมาอยูกันตรลโลก นีพบที่สองคือคลอดออกมาแดงๆนี่พบที่สามใหญ่แล้วเลือกได้ไหมอยู่ในคันะเป็นยังไงทุกขนาดไหนอ่าลืมวาหล่กแต่ครนนี้จะมาชาติอื่นอะไรชาตินี้ยังจำไม่ได้แล้วน่า ยูน่ะคันนทุกขนาดไหนลดูสิเดี๋ยโลกกันตานรลกโลกกันตามืดหมดเ อ, ออยู่นั่นโวขวข้าไปเจ้าพ้นทอนนรกลูกนี้ภาวนาพยายามเล่นสนได้ถามสมเด็จพระเจ้าพันเล่นสนอตมาไม่ได้เรียนอฮ า, าอีอีอูอูเอวก็ากันเ้าเสียโว้ขวข้าไปเจ้าพ้นทอนนรกลุกนี้ น่าไอ้คนแสนทุกเด็กตกอยูน่นี่หลุมมูดลุงคูดจะไม่ลุง ม, มูดลุงคูดดิเคันของมันดาว่าไงเล่าไม่รู้ว่าไงไี่ตอกเหรออ่าอัละมันตกใจลืมมาลละมันจะคลอดตัวหันนะรุดโดนจะคันหัน ท่นเปลี่ยนบรรลุโดยสักขันเี่ยปมามันก็ตกลงจากเสียวรอยชั่วชั่วบรรลุลืมมัดมขมพอนาตกใจเออลือมมดฉลกไปขอดบัญังยังตั้งใจได้ยังเหลือแต่ตอกับตงอเท่า น, นั้นอาอีอีอูอลลืมมัดยังเหลือแต่อตอกัตงอทำกอดตั้งใจได้ อันนี้อันนี้เออเดี๋ยวค น, นเด็กเอานานมาลืมมั้งล่ะเพราะโตไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเออนี้แหละคนเราเราว่าไม่เลยนจ่ายไหมล่ะ น, นั่นจำไว้ต่อไป วันยังเล่นชนเอาละวะพ่าสางควนเลยนะนะครับละ่ะเอาละหลับกันทหลายนะความสุขความเจริญอุดมัปด<อ>้วยคอามรักที่ท่านได้ฟังมานี้เป็นธรรมกถาของท่านอาจารย์ฟัน่นอาจารโร ปัตตูดมสมพรรายการบําเพ็ญจิตภาวนาพุทโธะวัตตบวรนิเวศวิหารภาคบายวันที่5ทันวาคม2518ต่อไปนี้เป็นธรรมกาถาต่อภาคบายวันที่6ทันวาคม2518พอทั้งหลายที่มาประชุมพร่อมเพียงกัน เนี่ยอย่าไปชุมทางกายแล้วมาไปชุมทางใจใเจดมัคคะสมังคีความประชุมทางกายทางใจของเราหวันนี่กระเทะไปแล้วไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องกายเรื่องตัวของพวกเราทางนั้น น, นี่เราทั้งหลายให้น้อมจิตของเราอย่าส่งไปงคํางื่นแี่นี่เราอยากรู้จักว่าความเป็นอยู่ฟองเราเวลานี้อยู่ในชั้นใดภูมิอันใดในพพอันใดให้พาันให้น้อมเข้าไปดู อย่าทรงหกฟังแต่เสียงการที่ฟังธรรมคคำสั่งสอนพระพุทธเจา้าเมื่อท่านสอนแต่ก่อนผู้ใดได้สะดับว่าธรรมคคำสั่งสอนนั้นได้สำเร็จมากสำเร็จผลเป็นจำนวนมากแต่เราทุกวันในการที่ฟัง ฟังกันทุกวันแต่ไม่ปรากฏจะได้สำเร็จมกักสาเร็จผลคือเราเป็นแต่ฟังแต่เป็นพิธีไม่ได้ฟังถึง ร, รมถึงวิมัยถึงข้อปฏิบัติฟังแต่เป็นแต่พิธีเท่า น, นั้นอันนี้การสำเร็จมกักสำเร็จผลไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกล สำเร็จที่ดวมใจใเราค ร, รมะคำสั่งสอนพระเจ้าทันวางไว้ถึงแปด0มื่นสี่พันพันธมขรนทันก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่นวางที่กายที่ใจของเรานี่เองนี่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมมีใน มีช่อื่นเป็นธรรมมีช่อื่นเป็นวินัยเป็บอกว่าคือตัววางวกล้องเราเนี่ยเป็นธรรมเป็นวินัยอันบอกว่าคือตาเป็นธรรมตาเป็นวินัยหูเป็นธรรมหูเป็นวินัยเนี่ยคือเหตุชนไหนยังว่าไงล่ะตาสำรับดูหูสำรับฟัง เมื่อได้ยินแล้วเราจะน้อมก็ภายในยวินยโยณแพร่นำนจากความชั่วนำความชั่วจากตนนำตนจากความชั่วการที่เมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วความชั่วทหลายอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้สุขทุกมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ ไม่พากันในเึงลูกเพืเข่าใจไม่ใส่ฝ้าอากาศเป็นสุขไม่ใสฝ้าอากาศเป็นทุกข์สิ้นทั้งหลายเขาไม่ได้สุขเขาไม่ได้ทุกข์น้อ ก, กใจของเราแล้วเท่านี้ให้พากันพิ่เจรนารดูสิน้อมคนนี้ละเมื่อเราเห็นทุกขสัจจะอันนี้ละ เราจะละพ้นจากทุกเดี๋ยวนี้ความที่พ้นทุกอ่าไปจะพ้นอยู่ที่ไหนเราอ่าคือใจเราไม่ทุกเนี่ยแปลวคนทุกเพราะฉะนั้นได้ยินแล้วใหพาไปน้อมก็ภายในนี่ทาบชนะท่านได้วางไว้ในตัวของพวกเราไม่ได้วางชื่ออื่นนี้ละ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วให้พากันในพิเจนาถึงที่พึ่งของเราท่านสอนไว้การที่ว่าสําเร็จมากสำเร็จผลมันเป็นยังไงนี่ลูก่เปกียบภายนอกให้เห็นเหมือนกับเราทําการทํางานเสร็จรจลยั น, ม, นมันเสร็จจะเป็นใหญ่อุปมาเหมืนอนกันแต่นี่ละ ทำพุทิก็ดีวิหารก็ดีหรือทําการงานก็ดีสแสบเล่า เ, เป็นไงสึ่งทั้งหลายทั้งหมดแต่ก่อนเขาไม่รู้ว่าพุทธิเป็นไม้หรือเป็นปูนหรือเป็นเหล็กเป็นอันอื่นไปนายช่างผู้ฉลาดรวมสิ่งเหล่านั้นเข้า เป็นก้อนอันเดียวตีก็ติดหมดไม้ก็หายเหล็กก็หายปูนก็หายอะไรก็หายไปหมดรวมแล้วเป็นกุฏิศาลาเนี่ยนี่นี่ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารวมเข้าไวในจิตตรงเดียวเียังเอกังจิตตัง จิตเป็นของเดิมจิตตั้งความเป็นอยู่นี่หาเราน้อมก็เติมิตแล้วความสําเร็จอยู่ที่นั้นหาลราไม่รวมแล้วมันก็ไม่สําเร็จทําการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างต้องรวมเมื่อจะเสร็จหาไม่รวมเมื่อใดก็ไม่สําเร็จเอกลางทำมันมีทำดวงเดียว เดี๋ยวนี้เราทั้งหลายขยายออกไปแล้วกว้างขวางพิสดารมากมายห้าวิถาละในกกพันน า, นาไปถึงแปดหมืนสี่พันระธรรมขันลวกอมก็ามาแล้วสังเคปะในแล้วมีธรรมเดียวเอกังธรร ม, มังเป็นธรรมเดียวเอกังจิตตังมีจิตดวงเดียว นี่เป็นของเดิมให้พากันในพึ่งรูปคุณก็ใจต่อไปนี่ละต่อไปพากันในรวมเข้ามันได้เราไม่รวมนี่ไม่ได้เมื่อใดติดเราไม่รวมได้เมื่อใดเมนก็ไม่สําเร็จธรรมะแปด0มื่นสีพันพัทธมขันเรียกว่าคนทั้งหลายอ่านกระไก่ิีดอก ในปีดอกทั้งสามเนี่ยตู้ประไกปีดอกนี่อยู่ที่ไหนละตู้ประไกปีดอกนี่เราเลี่ยนเข้ามาภายในจะเปลี่ยนไปนอกเหตุชนใดต้งว่างั้นละ่ะปีดอกนั่นคืออะไรมันอยู่ที่ไหนเราฟังแล้วคืออยู่ไกลคำพี่ทั้งหลายกับเราเป็นผู้ทาเราผู้เขียนเราผู้อ่าน สิ่งเหล่านั้นนะ่ะฉันมืสูตรตปีดกวิไ น, ย ป, ปปปนปยปีดกปรมัตปีดกปีดกที่สามแลอกตู้ประกายปีดกเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วตู้ประกายปีดกอืมหาดูแล้วธรรมอัสโผลัสโอดิสโสยู่ที่ไหนแล่าสูตรตปีดกก็ได้แกลมหายใจเข้าไปดูเต เนี่ยทำแกลมหายใจเข้าไปเนี่ยวิไนยปีดอกและแกลมหายใจออกมาตูตรตาปารมัตตปีดอกและแก่ปุรู้ทางในรักษาชีวิตอินทรีย์นิ่งอยู่ไม่แตกทำลายนี่รวมแล้วตู้ประกายปีดอกดูที่ลมหายใจอยู่ที่ไหนเล่าความรู้เราอยู่ที่ไหนเล่า รู้ว่าทุขกรดีวรู้ว่าทุกขก์ดีนีละมาเปิดคัมภีตรงนี้้าเราไม่เปิดคัมภีตรงนี้แล้วเราเไม่ได้จับอาจจะพ้นจับทุกได้กระหน้อมก็ภายในแล้วมันจะรู้จักเนานนั่นก็ไปในใกายปีดอกแล้วเส้นประมักถ้าปีดอกท่านบอกกามาไวจรงังคู้สรางจิตตัง ดูเถอะผู้สนทั้งหลายเกิดจากจิตผู้สรังจิตตังอุปปังโหติอุปบัติขึ้นจากโสมนัสนากตังไขเป็นผู้ยินดีละยานสัสมัยุตังยานะยานังคื อ, อยานความรู้สมัยุตังเราไปสัมัยุตอะไรไว้เดี๋ยวนี้ สัมปยุต ด, ดีหรือประยุตชั่วใครมือเป็นสัมปยุตแล้วเราเอาอะไรแล้วเป็นอารมณ์นี้เพื่อให้สังเกตและเทศให้เพื่อนเข้าใจแนวทางไว้เพิ่อพิจารณาเนี่ยยาณสัมปยุตตาลูปารมนังวาเราเอารูปปัญญาเป็นอารมณ์เดี๋ยวนี้คันว่านาแจกไปยกมาก แพร่ม่ทีบ่ายมากนี่รูปปาละมนังว่าเอารูปอันใดเป็นอารมณ์รูปดีรูปชั่วนี่ถ้าเราลูปดีเป็นอารมณ์เราก็ได้ไปสุขติเอาลูปชั่วเป็นอารมณ์เราก็ไปสุขตินี่เรื่องเป็นเนี่ยรูปดีจะรู้ได้ยังไงเราว่ารูปนั้นรูปนี้มันไปไปรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดี อันนี้รูปไม่ดีรูปดีเป็นไงเล่าคือใจเราดีนี่มันเป็นอย่างนี้ให้พากันให้ปิดเจตนาสาานัิคารมนังว่าเราเสียงอะไรเป็นอารมณ์ไงเป็นอารมณ์ของเราเนี่ยทันตังโสตอภิธรรมสังขะเวลาคนถึงแก่กรรมไปมเสียงดีเสียนซัว ไอ้พากานเนจักขันพาละมันนางวากลิ่นดีกลินชั่วเนี่เรากลิล่นอะไรเป็น อ, รอารมณ์เราไอ้พากันในโลจักรักษาละมันนางวารส เ, เดีรสทั่วปวดตาละมนนางวาสัมผัสดีสัมผัสชั่วรวมก็ธรรมมาละมันนางวารวมเขาธรรมเดียวคือดวงใจของเราจะยึดตัวสินอารมณ์เนี่ยนั้น มาไว้ในใจของเราอันนี้คำพีอภิธรรมดูเทพฟังแล้วคืออยู่ไกลอยู่ในตู้ระไกลดีดอกดูเทพอันนี้คำพีที่สองปัญจักคันทารูกปักคันโทเวทนาคันโทชนะคันโทสังขารละคันโทวิญญาณขันโทขันขันก็แปรว่กอง รูปขันนี่กองรูปอยู่นี่หมดรูปขันรูปขันก็ได้แก่อะไรขาสองแขนสองสะเนอันนี้รูปขันนี่ขันอันนี้แหละอยู่ในนี้ไอ้พิจารณารูปอันนี้อ่สงรูปอันนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะอ้พิจารณาเนี่น ตีบายและลักจับในเพื่อเข้าใจไว้เครื่องพิจรารณานี่ละเวทนาทนทขันโธขันของเวทนาคือความสวยสุขความสวยทุกข์ในเสียทุกข์นนี้พิจรารณาโดยแท้สัญญาละขันโธความจำความหมายอยู่ที่ไหนละ่ะฉันจําว่าเป็นนอนเป็นนี่ อดูที่อะไรผู้จำแล้วสังขารละคันโพความปรุงความแตง่งเนี่ยให้รู้จักให้ผู้ปรุงผู้แตงแ่งน้าววิญญาณลคันโพผู้รู้จะไปปฏิสนธิวิญญาณและไปยึดเอาสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี่พากันในพึงน้อมเข้ามาพิจารณานี้แลหละให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ท่านเทศนาปัญจวคีพิสุทังห้าท่านก็ได้ฟังโอวาทอนี้ท่านก็ได้สำเร็จพภาลันหมดทั้งห้าพระองค์ผิดโดเสิเราก็สวดอยู่แล้วใน ส, สนนะมัยคาถาเวทนานีจ่จะรูปฟังมันิจ่จำดูเต็มเที่ยงไม่เที่ยงเราก็เขา้าใจอยู่แล้วเนี่ย เวทนานิจาสัญญาในใจสังขาอในใจวิญญาณังในิจังวิญญาณนี้ละเอาแต่มันจะแปล่นมันเที่ยงไม่เที่ยงอีนั้นในพิจารณาให้ทุิงรู้เพงเห็นเนี่ยตอามาพิจารณาไปนี้นี่ท่านรอบจีตรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญาอนัตตาสังขลานัตตาวิญญาณังอนัตตา มันไม่ใช่โตตอนทางนั้นเมื่อเป็นชนนี้แล้วตอนนี้ไปพากันเขาดูอธิบายขยายพระธรรมไปอ้าวให้เขาที่นั่งสมาธิตั้งจิตลองดูมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นยังไงฮะดูให้ดูเห็นถ้ามันรู้มันเห็นมีจะเทศอธิบายไปนี้ก็ไม่มีพิเศนสุดอ้าวลงมือทําให้ดูตัวจริงมันมันเป็นยังไงเอออ้าว ให้เข้าที่นั่งสบายสบายเออมานี่อยากทุกอยากสบายไม่ลกโกกหลอกลวงใครได้ตังคนตังดูนั่งให้สบายสบายเรามานี่เราต้องการความสุขความสบายเพ่นเล่นดูอมันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีโยคนี่อธิบายบางแล้วต่อไปนั่งใน้สบายสบาย วางขาวางทางให้สบายแล้วมือขาวขาทับขาท้ายมือฟาทับมือท้ายทางกายสบายเมื่อกายจะสบายแล้วนี่เราก็วางดวงใจของเราในน้อมกับปลาภายในนี่แล้ ว, ว, งวงงไไลงมือทําท่านฟังแต่ก่อนท่านทําไปพร้อมเดนี้เราละไม่ ฟังแต่จะยินได้ฟังมาจำว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วนนสําคัญเราเข้าใจสําคัญเราได้เราพูดแล้วเราพูดได้แล้วว่าเราได้เราดูตัวจริงดิเราอยากคนทุกข์เราอยากได้ความสุขความสบายเราอยากคนกทุกข์ผู้ที่ไม่เคยทําเออ ผู้ที่เคยทำแล้วก็ น, นึกคมภาวนาของตอนผู้ไม่เคยก็ให้นึกว่าคุณทั้งหมดรวมแล้วคุณพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมอยู่ในใจพระรยสงฆ์อยู่ในใจให้เชื่อมั่นลงแล้วก็ น, นึกคมบริกรมภาวนาว่าพุทโธลึกลึกเตะธัรมโธสังโฆในใจของเรา พุทโธธัมโม ส, สังโฆสามคนแล้วให้รวมมาแต่พุทโธพุทโธคำเดียวนับตางับตานะเลียนกัรมกระกระดิกให้ ล, ลึกเข้าในใจลึกและลึกเพื่อให้ได้เราจะรู้เวลานี้นะตัวเราอยู่ในสันใดในก็บันใดก็บมันอยู่สาม เส้นตามมาพบรูปพปพบหารูปปรพบดูเถิมันเป็นอย่างไรเจนเลยว่ากามมาพบรูปประพบหารูปประพบนี่ที่อยู่ของโลกทั้งสามกามันโลกรูปประโลกกรูประโลกมพบเนี่ยเป็นพบที่อยู่ของเราอันนี้ในตามมาพบนี้นึกดู ในแพ่รโดที่อยู่ของเราเมื่อจิตของเราตั้ง <c oughs> อยู่ที่รู้ตงรงไหนแล้วเราจะรู้จักประจุบของเราเมื่อจิตของเราตั้งระลึกพุทโธความรู้สึกอยู่ตงรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นอย่าท่งไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่าง สร้างสภาวะทกลางันที่รู้อยู่นั้นเนี่ยเจ็ดข้างเรามันดีแล้วไม่ดีรู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จับตรงนี้วานนี่ก็รู้เปรียบแล้วเมื่อกันในช้างเขาตั้งเขานี่ก็เราทําสมาธิสมาธิาคือจิตตั้งมัน่นในร้างก็ตั้งเขากันใดตั้งแล้วก็ มองดูข้างหน้าข้างหลังเอาระดับจับดูมันเที่ยงทำไม่เที่ยงมันเอียงเองไหมทางไหนอ่าเขารู้จักไปเอียงเองีเองเขาก็หักขึ้นมาหักแล้วก็ก็ตั้งเขาก็เล่นดูอ่านจนมันเที่ย ง, งต้องเขาฝังไว้มันแน่นีน่เลยถีที่ผู้ตัง เราประเด็นนี้ก็ตั้งให้เป็นของเที่ยงวิญญาณของเรามันในเที่ยงเหล่านี้ย่งมันเที่ยงนะไม่ใช่จะเป็นพระนิพพานได้เดิ่งมันเป็นอย่างนั้นไหามันเที่ยงหรืมันนองออกไปทางไหนมันเข้าทางไหนนี่เอาข้องตรงไหนคาตรงไหนให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นไม่ใช่ที่นั่งลับตาเฉยๆอย่างนั้น ดูจิตของเรานี่มันหลงอะไรมันคล้องอะไรมันคาอะไรนี่ไอ้รู้จักนี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่ในกามพภ์กามพภ์นี้มันแบ่งเป็นสองในคือจิตอยู่ในลูกในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทางหลายต่างๆ นี่จิตของเราทองเที่ยวอยู่นี่ดูแทะ ใ, ในกามาพบนี้แบ่งเป็นสองในน ะ, ะแบ่งเป็นนาบายยปูมันหนึ่งแบ่งเป็นสักกามาวจรนอันนึงงั้นดูแทะมันเป็นอบายยปูเป็นยังไงเคยจิตของเรามื่เสารหมองจิตไม่ผ่องใสจิตวุ่นวาย จิ ต, ตเดือดร้อนจิตทะเยอทะยานจิตดิ้นรนจิตกระวนกระวายทุกข์ยานนั่งอยู่เดียนี้ละ่ละแล้วไม่ต้องคำหนึ่งถึงอดีตอนาคตน้ดูนั่งปัจจุบันเดี๋ยนีนี่ละ่ะเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นละ่ะมันไปอบายภูมินะทั้งสี้ทากั น, นพิจารณา อันนี้เมื่อจิตของเอาแบ่งไปสการ์มาจอนสวรรค์มันเป็นยังไงทิ่เราพองใสมันดิน้นไม่ดินน้นรนไม่กระวนกระวายมีความสุขความสบายออกสบายใจคิดนั้นไม่ได้วุ่นวายสบายเนี่ยดูเอาเท่อันนี้เมื่อดับขันไปก็ไปสวรรค์ ถ้าเรารู้จักสวรรค์ก็คือความสุขความสบายอะไรสุขสบายดวงใจเราสุขดวงใจเราสบายาฟังดูที่อย่าว่าให้ฟังแล้วมันเป็นอย่างนี้อันนี้จิตพ้นจากเอะตามมาพบคือจิตนั้นมันไม่ได้ไปยึดเราในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในในนอภายนอก มันเห็นแต่ภายในเอ้มาเหลือแต่ลูกเห็นแต่สังขารร่างกายเหล่านี้เบื้องบนเบื้องล่างด้านกว้างสถานกลางมีแต่เด็กกายของเรานี้มีทวิทีเจรณาสิ่งเ่านี่ยออมืมีตาจ่าปรยันโตมีนังหุ้มอยู่เป็นที่เ ส, สื้อรอบโครณนาปกาลาซาซุจินโน สิ่งเล่านี้มันเต็มไปได้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆที่มิสมิงกายเยนในกายนี้ท่านไม่ได้บอกว่ากายโนอนกายนี้แปลว่ากายของเรานี่แหละไม่ใช่กายอื่นคืออะไรเล่าตั๊กตัวอย่างให้เห็นเจ้ากเกสาคือผมเน่ยเต็มไปอย่างนี้ของไม่สะอาดโลมาคือนขนหนาคาเคล็บนันตาคือฟันตะโจคือหนังเนี่ย มังสังคือเนื้อเนี่ยอันนี้เต็มไปอย่างนี้สิ่งเหล่านาี้ล่ะให้พิจารณาเห็นอยูเอ่เดี๋ยวเวลานี้ล่ะเป็นยังไงสิ่ง น, นี้เป็นของสะอาดหรือเป็นของไม่สะอาดนี่เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ท่านจึงได้สอนมรูลกรมามฐานแล้วว่าพระอยู่ปาแล้วว่าพระกรรมาฐาน สมมติว่าตมาผ้ามานี้ว่าพระกรรมฐานแท้จริงมันเป็นกรรมฐานมันทั้งนั้นอุปชายะท่นบวชเรียนบรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็สอนมูลกรรมฐานท่าอยู่ตามบ้านฝัดบอกว่าไม่เป็นพระกรรมฐานญาติโยมผู้หญิงผู้ชายว่าเราไม่เป็นกรรมฐาน อเป็นแล้วไม่เป็นก็ดูที่ท่านสอนไหนก็มาฐานเกสาคือผมนั่นน่ะผมอยู่ที่ไหนล่ะดูที่อันนี้ละมูลกรรมาฐานเป็นมูลในสัตว์ทั้งหลายหลงในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มาหลงผมนี่แหละอ น, นี่ละทิจ น, นาที่ผมของเรามันเป็นของสวยเลยเป็นของงามหรอือเป็นของสะอาด หรือเป็นของน่าเกลียดให้ซึิ่งรู้เพิ่งเห็นได้เห็นว่ามันสวยแล้วผ้าผมของเราหลุดใส่ข้าวหรือใส่อาหารเราก็รับทานไม่ได้เมื่อรับทานไม่ได้มันเป็นยังไงแล้วรวมแล้วก็เป็นของเกลียดดูเท่นะัว ม, มาคือขอนตามสารพานหน้ากายเราดูทิ่ มีอธิเจรณาเนี่ยนักขาคือเล็บดูที่เล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าของเรานี่ทันดันตาคือฟันทันอยู่ในปากของเราสึ่งเรล่านี่ละ่ะตะโจคือหนังหนังห่มอยู่เนี่ยเปนที่สุลอบเอาหนังนี้ออกบูลณะไปยังไงหรือหนังคนอยู่ในาจานข้าวเราจะรับแต่ไม้ เมื่อรับไม่ได้เราจะว่ามันสวยมันงามยังไงมันเป็นคนยังไงนี่จำแนกแจกแบบ อ, อย่างนี้จึงเราพักควาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเมื่อเราพิจารณานี้จิตของเร า, าเจะละนิพิทาความเบอนายในรูปในเสียงกลินล่นรสทั้งหมายทั้งหมดนี่เราเห็นอย่างนี้ให้เพ่งพิจารณานี้ว่าจงเป็นธรรม จึงผู้รู้ธรรมเห็นธรรมหาแล้วไม่จำแนกแจกแล้วลงมาเลยว่าถือว่าเราเป็นคนช่วยคนงามคนดีอเลยหลงเยู่ที่นี่เลยเกิดทิฏฐิเกิดมนณะเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดราภะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอวิสาตัณหาบัคขานพบชาติขึ้นมา เมื่อเราพิเจนาเห็นไปไแล้วมันไม่มีทิศทีมันไม่มีมานะอาหารการมามันจะถือได้ยังไงแล้วหนังคนใครจะเอาแล้วเถือนหนังออก็าหมดไปไงหละกนอฟังหลอกหนังออกมาหมดไปไงคนเราน่าดูไหมนี่ละไอ้พากัคพิจนานี่ยังมาเห็นเป็นธรรม เมื่อเอาหนังเอาแล้วเอาเนื้อดูเอาเนื้ออดูแล้วเอากระดูกดูนะเอาไว้ทั้งหมดออกดูใส่น้อยใส่ใหญ่ตับไตออกมาดูไปยังไงมันเป็นคนเป็นยังไงทําไมเราจึงไปหลงเออนี่ยพิเกนามเห็นนิรามันจะละสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจึงละวิจิกิสา ความสงสัยจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเลยไม่มีสีลับพักความลูกคามันก็ไม่ลูกคาอ๋อจริงอย่างนี้เมื่อเห็นเป็นจางนี้แล้วจิตนั้นกวานพอจิตวางแล้วมันก็ถึงอรูปถึงอรูปปปพบจิตนั้นกวาดเอี ถึงรูปกับพบนี่ในพบทั้งสามนี่ละจะได้นำมาสี่แจงให้พากันเข้าใจต่อไปนี่ละนั่งตั้งดูสมาธิของเราอธิมายฟังแล้วมันหลงอะไรพามันหลงรูปก็ยอบรูปกันี่หลนรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันคล้องตรงไหนแก่ตรงนั่นเดินนี้จะาละสมาธะกรมาฐานนิพชนากรมาฐาน แนวรู้จักกรรมทิทําฐานาที่ตั้งเวลานี้เราตั้งฐานอะไรกรรมมันใดโ ย, ยไปยึดอันใดโ ย, ยนี่เราต้องเเ่งดูตรง น, น, รนรี้มันรู้จิตของเราคล้องอะไรมันหลงอะไรเรารู้จักเมื่อเราจิตสงบได้แล้วมันเนี่ยงแล้วมันก็รู้จักสี่คล้อง มนุษจักทิคา่เมื่อจักแล้วก็ตัดนี่มันจะได้เป็นมีพัฒนาเกิดขึ้นวิปันสญนายาณความรู้แจ้งเห็นจินก็จะทำเมนเนี้ยเด็นั้นเ น, นีพากังก่นตามทำต่างคนต่างพิจารณาว่าเราในเวลานี้เราอยู่ในชั้นใดภูมินไดในพรบเป็นไดเวลานี้เราหัดเข้าสู่สมครามหัดแบบเนี้ย สมคามมาในเราต้องเกลี่ยพร้อมใจเลยนี้ <c oughs> เออสมคามจะเกิดขึ้นคืออะไรกิเลสสมคามอันนี้ว่าสมคามภายนอกข่าศึกจะสมคามเขาก็เกณฑ์ทหารทุกปีฮักทุกวันเมื่อสมคามมามาใดก็ไม่ต้องกลัวยกขับใส่มันอันนี้กิเลสสมคามล้วเล่าเกิดความแก่ความเจ็บความตํง โลกภัยบังเกิดขึ้นมาแล้วเราจะรบทางไหนเล่าเราจะสู้วิธีไหนเล่านี่ ม, มหาหัดไปเนี่ยเออไอหมูเหยีนไม่เดี๋ยวนี้ไอแผ่นเดียเ๋ยวนี้เราต้องเข้าสมาธิทําจะตั้งมั่นเข้าลุมพระคือลุมพระคือเขารบสงครามไปหน้าเขามีหลุมพระแล้วเขาก็ไม่กลัว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 จิตนันกันละละกบทั้งสามันก็เป็นวิมุตต์ลดพ้นไปหมดนะเรื่องมันเ๋ยวเราเป็นวิมุตต์แปลุดพ้นจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บัดจิตนั้นจะได้เข้าสู่ปรินิพานนับทุกในวัฏสงสารไม่ต้องสงสยัยนะเวียนว่ายตายเกิดในโลกเนีนะ้เรื่องมันเป็นอย่างแน่วัฏสงสาร ทำใหม่ยังวัดตาเครื่องหุนเวียนส่งสารคือความสงสัยในรูปในสิ่งทั้งหลายทั้งหมดมันเลยไม่ละวิกิตริสาได้ที่ในนี้เร า, เารู้แล้วเราไม่ต้องวนเวียนอีกเกิดเราก็รู้แล้วถุกชะลาก็รู้แล้วมันทุกข์พยาธิแต่เรารู้แล้วมันทุก มาลานะเรารู้แล้วมันทุกข์เมื่อเราทุกข์เหล่านี้ก็ทุกข์เพราะความเกิดแล้วก็หยุดผู้นี้ไม่เกิดแล้วใครจะอีกละ่ะผู้นี้ไม่เกิดแล้วผู้นี้ก็ไม่ไม่แก่ไม่ตายผูนี้ไม่ตายแล้วอะไรจะมาเกิดมันไม่เกิดจะอะไรมาตายดูเถิด ใ, ใจหรือคิดของเราเดี๋ยวนี้เราเกิดเกิดแล้วก็ตาย ตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์มาแล้วสักทีพระพุทธเจ้ารู้แล้วเป็นอมะตะท่า น, นเขาไม่ตายอ่าพันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสัญใดคือกันนั่นแหละคือท่านเกิดท่านก็ไม่เกิดตายท่านก็ไม่ตายนี่ละให้ถึงของที่ไม่ตายจิตเดิมของเราที่ที่ผู้ตําความเป็นอยู่อา้าวต่อไปแท่นโล ทางคนทางแพ่ ง, งได้ยินได้ฟังแล้วโอปันนิโกให้น้อมกับไปไถ่ในทางคนตัางดูอย่าเป็นดูทางนอกได้ได้สัญญาไวา้เมื่อเทศนาอยู่นี่จิตทั้งหลายจะมาฟังในเสียงตอนนี้ไปเขาฟังภายในอย่างวิไนโยมันจะนําจะจับความชั่วนําตนจะจับความชั่วนําความชั่วจะทนอย่าง รวมแล้ววินยัยทางอากับสติวินัยโยผู้มีสติและเป็นองค์วินัยให้เพ่งเล็งโดนี่ละสัญญาไวา้ไม่มีเสียงอะไรประามรู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนอ่าเพ่งดูใจของเราตามสมควรเอาจน ได้เวลาอ่าวเพ่งพิจารณาตอนนี้จะมาอธิบายละเมื่ออธิบายแล้วจะมาฟังในเสียงพอได้ความแล้วให้รู้จักว่ามันคล้องตรงไหนมันคาตรงไหนแก้ตรงนั้น่เหมือนกับเราคันคันในตัวของเราคันตรงไหนก็ต้องเกาตรงนั้นมันจะหายอนี้ก็สันใดยึดเราคล้องตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นต้องสําระตรงนั้น มันชิ่นไปหมดไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะพ้นทุกข์ความที่พน้นทุกข์ของจิตจะรู้ได้อย่างไง ร, รวมมาสั้นๆแล้วคือเจ็บเราไม่ทุกข์เมื่อเจ็บเราไม่ทุกข์ก็แปลวมันพน้นทุกข์เจ็บยังมีทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นทุกข์มันยังมีทุกข์ตรงไหนก็ดูตรงนั้ น, น อยากไปหาอยากเป็นโน้อนอยากเป็นนี้อยากเป็นโน้นเป็นนี้จะ่าไปหาไปหาเป็นปัญหามันตันเจ้าของมาทำนิ่งอยู่เปียกเหมือนกันแต่นายทานเขายิงเนื้อเขาไม่ได้วิ่งเขามีเต้นเขานิ่งอยู่เท่านั้นแหละเขาดักเนื้อเนื้อเขามาเวลาเขาจะยิงปืน เ็เรล่งตาเดียวอ่ะมันจะทูอ่ามันนือนแล้วตั้งจิตนิ่งโลอ่ามันจะไปข้างหน้าแล้วมันจะมาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาถ้ามันโลอา้าวตอนนี้ปลายต่างคนต่างๆวางให้สบายริงใดไม่ดีแล้ว พาเราไม่ต้องการใครผูปไปยึดถือเอาคนทั้งหลายเกิดมาแต่อยากดีเราไปยึดเอาจสิ้นที่ดีไม่ดีมันก็ไม่ดีที่นี่ทางคนต่างสงบวันนี้ถอยพระรจชากุศลมหาบอิดด้วยแล้วก็เพ่งดูทางคนตัางสงบประเทศชาติของเราฮะ จะได้มีความสุขจะได้มีความเจริญท่านมหาบุพินท่านจะเห็นเราทั้งหลายมีความดีมีความใจดีมีความสุขความสบายท่านก็ได้รับความสุขความสบายวันจึงแพ่พระราชกรุษเป็นชลิมงคลห้าปักเปล่าวุ่นวายเดือดร้อนท่านก็ได้รับความทุกข์ความยากเหมือนกับวิดาบรรดา ลูกไม่ดีบิดามันดาก็เป็นทุกข์ถ้าลูกดีบิดามันดาก็เป็นสุขนี่ก็สัญญ์ในคือกันนั่นแหละประเทศชาติของเราถ้าตังคนตังมีความสุขความสบายแล้วมันก็มีความสุขความเจริญยั่งยืนถาวรตออลอดกาลไปนี่ วันเราจะโตจะเป็นอย่างโ น, น้นโตจะเป็นอย่างนี้ประเทศเราต่อไปจะเป็นยังไงนั่งดูได้เลยละถ้าเราดีสงบเงียบลอยเนี่ยอนาคตมันก็เป็นอย่างนี้แต่จิตของเราวุ่นวายไม่สงบอนาคตมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็แค่็ดูดิ กำจัดออกไปหมดภัยเวียนทั้ทงหลายตาใสาพุทธานุภาเวนเนี่ยเร า, าพุทธเจ้าเป็นอนุภาเอาวัฒน์ธรรมเนี่ยอนุภาผสมอนุภาพุทธะคือความรู้ธรรมธรรมคือเราทําอยู่ที่นีล่ล่ะผสมคือเราปฏิบัติที่นีล่ล่ะเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วก็เรียกว่าพุทธโธเมนาโถล่ะเป็นใหญ่โกเบล่ะทำโมเมนาโถแล้วเป็นใหญ่เหมือดทั้งโฆ ไม่น่าโผเป็นใหญ่คงมัดในสามโลกนี้อ้าวต่อไปให้เพื่อนลูกคุเขาใจยาไดะวีตกวิจารอ่ให้เห็นกินแกล้งประจกักษ์มัเี้ยอย่าว่าอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงต่อไปแต่เป็นอย่างนี้แหลอะอ่คือเรานั่งอยู่เดือนนี้แหละถ้าเราสงบอย่างนี้มันจะสงบอย่างนี้ต่อไป ถ้เไม่สงบก็มันก็ไม่สงบต่อไปจะว่าไงล่ะมันก็ไปจากนี้อนาคตเอา้าต่อไปด้วยความแล้วทางคนทางฟังอนั่งสบายสบายบ่มเราดีก็ไม่ดีนีม่มาวัดโลมนะขวัดวันนี้ดูสงบดีเงเอา ไปอากรรมทำยั ง, ง่งเรื่อยๆไปเทศชาติของเราอธิบายฟังแล้วมันจ ะ, จะเจริญอยู่ได้ไชยพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนคือสอนอย่างนี้แหละสอนกายสอนใจของเราเราทำสุนำความดี ตรงหายเจริญยิ่งๆขึ้นไปไม่ดีแล้วพากันเลิกกันละแต่หายต่อไปประเทศชาติเราจะอยู่ได้ใช้ัคุณลามความดีเรื่องเป็นรันตน์ได้เป็นมิจฉาทิฐิเป็นทิฏฐิ็นช่อประกอบเมยกับแมวหึงไฟเป็นสรรมอาทิฏฐิจนช่อคือเรานั่งดูเหร มันส ม, มาแปลความชอบเขาทาแล้วก็พบขอ บ, บใจดีบวกดีใจได้รับความเบปกบานได้รับความสุขความสบายไม่หุ่นวายเดือดร้อนนี่ต้องเป็นอย่างนี้นีบบน่นำความสุขความเจริญให้ในประยุบันเดอเบงหน้าอธิบายมาแล้ววันนี้เป็นวันราชบุษร หาวอกผิดผเด็จงานทันยังเรียกเพื่อเป็นชีวิมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่พวกเราทหลายทันอยู่ได้ชัดนักบำเพ็ญกุศลเรื่ีงอย่างนีเพ็ญกุศลก็ไมบําเพ็ญบาเพ็ญอย่างนี้ล่ะกุศลก็คือความสุขความสบายคือความสุขความเจริญ เพื่อให้เราได้ได้รับความเบิกบานให้นำความสุขความสบายไม่หุ้นวายเดร้อนนี่ต้องเป็นอย่าง น, นี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าอธิบายมาแล้ววันนี้เป็นวันรนาชบุตรมหาโลกคิดสนสมเด็จงานอันอยังเรื่อยอ่ เพื่เป็นชีริชนคนแก่ประเทศครับบางเมืองแก่พวกเราหลายท่านจะได้ทักนาบําเพ็ญกุศลเรื่องอย่างนี้บำเพ็ญกุศลก็ไม่บําเพ็ญบำเพ็ญอย่างนี้ล่ะกุศลก็คือความสุขความสบายคือความสุขความเจริญเพื่อให้เราได้รับความเยือกความเย็นเรารับความเบาความสบายเนี่ย ตังคนต่าจิตใจฝึกสบายแล้วท่านก็นได้รับความเยอะความเยนความสุขสบายปฏิบัติแล้ว เ, เรามีความยุ่งยากวุ่นวายผูตกพกคลอมเป็นเศษข้าวอะมัหนักปกหนักใจเป็นทุกข์เป็นร้อนนื้อเสียอุปมาอุมามันจะบิดาบรรดาลูกนี่วายานะร้อนยนาะ มัดามันดาเป็นทุกข์เป็นร้อนอลูกว่าง่ายสอนง่ายมินดามัรดาก็มีความสุขความสบายดังนั้นในประเทศเราทู้ปกครองจะเป็นเร็วกันเนี่ยเอาใจไว้ผ่อนนี้ใจใจเอานี่ยเขาจะได้ความสุขความสบายเท่นั้นให้มาไปได้ความร่ำความรวย แลกความสวยความงามแลกความทนทุกนไทนภัยทนกิเด็จันไร์ลายทั้งหลายทั้งหมดเบื่อติบายมาแล้วกิเลสจันไรลาทั้งหลายก็มันอยู่ที่หุ่นติดกายอยู่ที่กายิดกายที่ใจของเราในธรรมะคำทั้งสอนทัางในหลวงมรโนบุคคลธรรมาธรรมะมรโนวนนโม มัเป็นโมโมเป็นนักมะโนบุพัมภะมาธรรมามโนคือความน้อมนึกธรรมาคือความคิดบุคคลในเบื้องต้นบุญและบาปสิ้นใดใจเราถึงกอดสิ้นทั้งหลายเป็นวิจัยเราถึงกอดอนาคตก็ดีลองดูเดี๋ยวนี้อาปัจจุบันนี่ดีแล้วอนาคตมันก็ดีไม่ต้องสงสัย หาต้นห า, ายสมัย่าในปัจจุบันนี้ไม่ดีอนาคตนก็ไม่ดีนี่ใครต้องการจริงไม่ดีละ่ะมีใครเยอะคนมาเป็นที่นทางคนตังทำสงบมีความเยือะความเย็นความสุขความสบายเบิกบานเจะเรียนามาพุทธโฆพรบพุทธเจ้าอ่าเป็นอย่างดีนี่ล่ะ ใจเราเป็นหลักฐานใจเป็นประธานมันสําเร็จกับดวงใจจึงฐานร้ายหมดนี้เลยนํามาเตือนใจโดยเยันย่อนี้พอเป็นข้อปฏิบัติฉดปฏิปัญญาบารมีของกันร้ายเมื่อทันหลายได้สนับแล้วในโอวามทมักทำคำสอนโดยเยันยอนี้พอเป็นข้อปฏิบัติแล้ว นำปฏินิดปิจิรณาสรูปโหัวข้เจความในประพุทธศาสนาะคือกายกับใจนี่เป็นที่ตั้งแห่งประพุทธศาสนาะเป็นที่ตั้งแห่งคุณพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งกรรมในตั้งของเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้ลโยนิโสมารสิปานพาตุกับนัดเกิดไว้แล้วนำไปทดสอบปฏิบัติพึกหัด ต, ต, ต, ต, ตนตนไปเปนธรรมคำสอน แต่นี้ต่อไปเมื่อเราท่านทั้งหลายมีความประมาทแล้วจะประสบของเห็นแต่ความทุกข์ความเจริญดังเดชะแจงมาเอวังพมีดุลพาวิวาเดนะสีริกาิจังมุทาปจายโนกตาโรอมาวัตันติ อายุวันโอซิมปะรังอรเยอมากเลยันเยไหพูดนะฮะฮะนะนั่นเบุญัต่อไปอืเป็น เดี๋ยวนี้เป็นไงดีสยแหน่เดี๋ยวนี้ที่แหน่ยงไงที่แหน่นะแหน่กังวนกังดีมันก็จะเินเต้บวกเราบอใจว่าข้างหลังมันเป็นไงมันไม่ดีตรงไหนเราเกิดไปฟังมันแก้ไขตรงนั้นนะ ม, มันจะถนนผนทางอไม่ดีแก้หายนี่จิตใจเราไม่ดีก็แก้สังเทศให้ฟัจจังแล้วจตใเป็ไปไนัไงอืะอะธรรมเป็คนคนฟ้าอะไรรูหหร้หหร็หลักอะไรหัก อ่าไม่ได้กับโนตเราเพราะสุราไม่เห็นเจ็นี่เอกวานะนี่น่อาอะมันจะเป็นยังไงเรามาดีไหมเป็นไม่ดีมีจะมาเป็นดีก็จะมาเฮ้ยไม่ดีกวนะมามา มันดีก็มาไม่ดีก็จะมาทําไมมันไม่ดีเนาะว่าไงเอ๊ะอย่างที่มันทุกๆปีอะไอย่างงี้ดีเหรอาอย่างงั้นเอาทุกวันบอกแล้วสอนแล้วทุกวันสอนแล้วอยาวทุกปีเอาทุกวันสมทรวนถามอาตมาผ้าบอกว่า มาสร้างกุศลโดยสร้างอะไรกันแล้วอาจารย์เมื่อใดสรรองถามธรรมมาตอบประสรองทุกวันอันนี้ น, นี้อาจารย์เดือนใดทําบุญประจําปีธรรมมาตอบประจําทุกวันทําบุญทุกวันแล้วก็ประจําทุกวันว่ไงเราแต่เราก็ทำทุกวันสิ มันนั่งงไงลายภูริเจ้าทรณีสูกจี่ร้งไงล่ะบะเพือกไม่ดีกระติบขายนะตัวนี่เราทําุญทำความดีโยแต่นายกก็ทําไมตัวแกลยังร้องวันอื่นไม่ร้องมันไม่ร้องมันตื่นวันนั้นก็เทศไปมันจะร้องทั้งแรงที่ตื่นเจ้กขอมาตื่นเด้มันขึ้นบืงต้นแบบนี้ทําไมยังร้องวะ มัเนอมันมีเหียดอยู่หน่อยมันบอกมันขึ้นทีแรกมันจับจับจัจัับเนี่ยมันก็ทําไม่จับมันหมุนเนี่ยจับจับจมันออกเสียงขับแก่ับแก่นีมาจับตรงหันรีบกลับมาแก้ตรงนี้จะไปแก้ปลายมัน แก้โคนมันนี่แก้ต้นมันนี่นบดีกับแก้เสดียเดียวนี้มันไม่ดีต้องมาดีแก้มันจึงดีกรนะจาย้ปล่ะนี้ก็แล้มากับแก่นี่สิแหม่กับมาแก่โอเปนนิโก้พระพุทธเจ้าบอกแล้วเกจืแล้วดีสิโก้จงล่องเล็กก็สา ล, าลานมันดูธรรมามันดูตรงนี้ดีไม่ดี กลับมาแก้ตรงนี้เอจะไปแก้คืนอะไรได้เล่าแก้ต้อนมันนี่ควรมาอยู่นี่มาแก้ตรงแนี้เาใจยันพวกเราแก้เอาเฉลี่นะมันตายเปตัวแก้แล้วตายไปตัวแก้ตามันโลดโตมันลายมาแก้ไม่ได้นะมันแก้เรียองนี้นะตามันโลดโตมันลายตัวแก้ แก้ไรได้แล้วมีแต่ห้องแก่แกอย่างแก้มันได้สิแหมมาแก้เดี๋ยวนี้แแกทุกแก่เดี๋ยวนี้มจริงแบบดีเอจอจ่ายมรดก น, น่เองว่ง่ายหจจักบุญจ อ, อยั่งนี่พวกเราเนี้ฮจจักบุญจจักวะเดี๋วยวเรานิทานให้ฟังเาเรา โบกเขมเรียนมันมันบริจาคบุญฮะของบริจัคบุญมันเอาเรือความน้ำรับจา้างความน้ำฮะคนไปก็รับจ้างเรือข่ายหรืแกวเรือความน้ำท่าขึ้นไปท่าขึ้นไปแล้วท่านไม่มีเงินจ้างว่ายังไงล่ะถ้ามีเงินจ้าง อาบุญไหมเออบุญเอาบุญเก่าตกลงเก่าบุญล่วแล้วขึ้นเรือไปความเป็นตรงฝั่งแล้วตรงฟังมาถามหาบุญที่ไหนอาจารย์บุญะต้องบอกว่าเอาบุญไหนอาจารย์บุญถามเต๊ะยังเอาบุญ้งว่าไหนบุญถนนลำคานควักอิตโมกไปให้อ เออแั้วกิจมุกยับให้แล้วเอาบุญเอาบุญให้เพ่นไม่มีทีไว้ไว้เชให้ทาจาบุญพอเอาบุญถ้มีทีไว้เนาะห่อนี้เอาไว้ที่ไหนไว้ทีห้อาจารบุญกรับเอายงี้ยปากอมเนอ่แต่เงี้ยเปากอมแล้ววอวมนาะพรบุญอาจารย์เข้มเขมน้อเออว่าไหนล่ะ นี่กับเราคือจับบุญเด่นไม่ได้ทําำนะจักบุญแต่บุญก็คือคุณงามความดีบุญคือความสุขความสบายความสบายใจบุญทำได้ยังอย่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมได้นะให้นั่งดูบุญเราทําบุญบางคนไม่เห็นโตบุญมันโตบุญเป็นตัวยังไงมาโมโกระโยมคนนึง อาจารย์ำบุญไม่เห็นตไม่สูบบุหรีมาบอกทำบุญก็เห็นตมันมันสูบบุหรีมาวะชนอไมพูดอยางนั้นล่ะทำบามันเห็นตสูบบุหรีมาทาไมยังพูดอยู่อย um ู่มันไม่เห็นตมันอาจารย์อทำไมยัว่าง้มันไม่เห็นตมัน เราไม่รู้จักบุญไรู้จักบาปบุญนั่งอยู่นี่ใคจว่าไงบาปนั่งอยู่นี่ก็จะว่าไงเราคนไม่รู้ปปันตระเมศไมนรู้จักบุญนี่แหละเอาคิดตะมูกมันเก่านี่ <c oughs> เอาดูที่ในใจของเราบุญมันเป็นอย่างนี้เราทําคุณงามความดีใจเรามีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีไหม มีนั้นแหละบุญอนะนั น, นโตบุญเะมีไหมมีแน่แต่ก่อนว่าวันไม่มีนี่โตบาปอย่างนี้คือเราปรพฤตไปดีทําไม่ดีใจเราทุกข์ยากวุ่นวายเดอดร้อนมีไหมมีแน่นนั้นลำบากก่อนวามันเห็นตวัวมันอย่ใจยังพวกเราอบ้ า, บาความทุกข์ควายากล่ะ ทุกข์ยากตรงไหนนะั้นระบาบตรงนั่นแหละนรกปั้มกุ้มปอกกุ้มใจทุกข์ยากตรงไหนนั่นดันนรกให้ดูเอาเ น, าไไนี่ไม่ไะ้โปะอะไรเลยนี่มันไม่ีใครเป็ น, นะอะโอ้ใจยั่งค่นี้ เ, เราทําบุญเนี่อ้ใจตรงนี้อ่ะจะว่าไงรีบแก้เฉยเดี๋ยวนี้นะนแก้นานไม่ ไ, มได้นะ สำคัญมันดหมรดประเทศฝากของเราตางคนต่างใจดีเราไ ม, มีอะไรเราไปท่านได้ฟังท่านอาจารย์ฟันอาจารโรวัดฝ่าอุดุลสมพรจังหวัดสกล น, นคนแรแสดงธรรมตอนที่สองพระพระอุโบสถวัดบวรนิเวศพิหารวันที่๖ธันวาคม2518ในการบาเพ็ญ จิตภาวนาพุโทโธเรื่องในวันเฉลิมพระชนมรรษาครบหกรอบ